ผู้ที่จะสามารถสืบมรดกทั้งด้านประพฤติปฏิบัติไปโดยถูกต้องดีงามและผลเป็นที่พึงพอใจดังท่านกล่าวไว้ในตรั้งพุ้การว่ามรรคผลนิพพานก็คือผู้ปฏิปฏบัติ ตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้นี้เท่านั้นตเตพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเนี้ยยังย่นลงมาถึงนับปฏิบัติอีกด้วยเพราะคำว่านักบวชมีอยู่ทั่วไปในยินแดนแห่งชาวพูดเราไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมืองนั่นเมืองนี้เมืองนอกเมืองใน เต็มไปหมดแต่นักบวชในพุทธศาสนาแต่จเจ้ากดเกณฑ์ตามความเป็นนักบวชนั่นว่าจะเป็นผู้ได้รับมรดกใธรรมเปือนธรรมธรรมาญาติของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้น ไม่สนิทใจเหมือนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งทางด้านพระวินัยและด้านธรรมะโดยถูกต้องดีงามท่านเหล่านี้จะเป็นผู้สรงไว้ซึ่งธรรมะทายาททั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสยัย ก็ทาประกาศหรือว่าท้าทายความจริงไว้อยู่แล้วตั้งแต่พระพุท ธ, ทธการมาจนกระทั่งปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีทรรมบทใ ด, ดาบาทใ ด, ดาได้ล่อยลอลงไปจากหลักความจริงที่พระองค์ท่านจรัสไว้มีความสมบูรณ์พูนผลอยูด่ด้วยความจัดความจริงความถูกต้องดีงามทุกแง่ทุกมุม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 แยกความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้แล้วอย่างใดยบประสานกับความประพฤติปฏิบัติอย่าให้พลากจากกันการปฏิบัติสิ่งก็อย่าได้ประมาทสิ่งใดที่ขัดข้องต่อสิ่งก็คือการขัดข้องข้องต่อธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราเนี้ย เป็นการขัดข้องทำลายตัวของเราไปด้วยการขัดข้องต่อธรรมหรือจีดขวางธรรมก็เป็นการจีดขวางตนเองด้วย ห, หาทางก้าวไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าสุปฏิปัโ น, โนเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมหลักวินยัย โดยสม่ำเสมอตั้งแต่ตน้นจนสุดยอดแห่งธรรมวินัยอุชุตรงไปตรงมาอันเป็นแนวทางที่จะให้เกิดกวความสะอาดในสีและธรรมของตนญาญะเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดอย่าได้ห่างเหินจากจิตใจ คือมีความสนใจจดจ่อต่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่ท่านได้เคยรู้เคยเห็นและประทานไว้แล้วคำว่าสามิกิจะคือกลรวมลงไปว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนี้เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแจะธรรม คำว่าทำนั้นเป็นของกลางเช่นเดียวกับสมบัติในโลกแล้วแต่ผู้มีความขยันมั่นเพียรและความเฉลียวฉลาดที่จะสอดส่องหามาได้มากน้อยตามกำลังความสามารถและฉลาดของตนตามปกติวัตถุในโลกนี้ไม่ขาดแคลนมีสมบูรณ์ เป็นแต่เพียงว่าความมุสาพยายามหรือความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดที่จะสามารถนำวัตถุ่ น, นั้นๆเข้ามาเป็นสมบัติของตอนนั้นเป็นสัมพันธ์กว่าอื่นคำว่าทมก็ไม่เคยได้บกข้องตามหลัก ทมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วคงเส้นคงวาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระระหัสทมทั้งสี่ประเภทนี้กรมเ ก, กืนกันกับหลักมัชชิมาปฏิปทาอันเป็นท้ายสาร สายทางเดินเข้าไปสู่ธรรมขั้นเหล่านี้จนกระทั่งทะลุผู้ผ่องไปได้ไม่นอกเนื้จากมัชิมาปฏิปทานี้ไปได้เลยเราพึงคำนึงตนเสมอว่าเวลานี้เราปฏิบัติถูกต้องตามหลักมัชิมาหรือไม่มัชิมาคือเหมาะสมอยู่ตลอดอการรักษาศีล กเป็นความเหมาะสมของต น, นหาที่ตำหนิจีเยียนตนไม่ได้ว่าเด็ดทำสีลให้ด่างพร้อยไปด้วยเจตนาหรือความเผือเลอประการใดบ้างเพราะความน้ำมัตตระวังรักษาอยู่เสมอสีงก็งามสาหรับตัวของเราเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้เหมาะสมกับความเป็นผู้มีสีงสิงเรียกว่ามัจจิมาคือ ความเหมาะสมทางด้านธรรมะนับแต่สมาธิคำว่าสมาธิที่ท่านแสดงไว้ในตำราเคยได้อธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนั่นคือเข็มทิศ ท, ทางเดินที่ท่านเขียนไว้ตามคำมภีบาลาน ไม่ใช่องค์ของสมาธิแท้แต่สมาธิแท้นั้นจะเกิดขึ้นกับใจที่สืบเนื่องมาจากการศึกษา เ, าเรียนวิธีการที่ท่านแสดงไว้แล้วในตำลับตำรานั้นเข้ามาประยุกต์กับความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความสงบเย็นใจขึ้นมาได้ด้วยจิตตะภาวนา สมาธิมีความสํ า, ญญ า, ค, าสคัญไปทางหนึ่งปัญญามีความสําคัญไปทางหนึ่งต่างก็มีความสําคัญตามหน้าที่หรือคุณภาพของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเสียเองจึงได้ตรัสไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหพลาโหติมหสิสร้างซา สมาธิอันเป็นความอิ่มตัวมังหิวโหยโรุยแรงพุ่งเฟอ้อเหอเหอมิมกระสับกระสายเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นแห่งความสงบของตนมีทันเดียกว่าสมาธิสมาธิประเภทนี้สมาธินี่แหละที่มีความอิ่มตัวนี้ นำไปช้าทางด้านปัญญาย่อมจัดเป็นเครื่องหนูนปัญญาให้ทาหน้าที่ของตนไปได้อย่างราบรื้นดีงามเพราะไม่ทะเลทะหลหยไม่กวนกวาวยหิ้วโหยกับสิ่นนั้นสิ่ง น, นี้เหมือนคนไม่มีความสงบสุูภายในตัวจิตที่สงบย่อมไม่หิ้วโหยในสิ่งต่างๆ พาทํางานใดก็ทําพิจารณาทางด้านปัญญามีสติเป็นเครื่องกํากับรักษาหรือเป็นผู้ควบคุมงานจิตก็ทํางานตามนั้นเมื่อมีสมาธิแล้วควรจะแยกออกทางด้านปัญญาพิจารณาแยกคายไปกว่าทางด้านสมาธิก็ต้องทํา เพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิกับปัญญานี้จึงแยกกันไม่ออกโดยจะถือว่าปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่างเดียวเป็นความรวดเร็วการทําสมาธิมัวทําสมาธิให้เกิดให้มีความสงบแล้วค่อยพิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นทางล่าช้าหรือล่าสมัยการพูดเช่นนั้นหรือความเห็นเช่นนั้น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 นั้นสงบเหมือนกันแต่อาการแห่งความสงบนั้นก็มีต่างกันบ้างถึงอย่างไรก็ตามความสงบของจิตนั้น่อมเป็นความอิ่มตัวได้ด้วยกันควรแก่การพิจารณาทางด้านวิปัสสนาปิปัญญาได้เช่นเดียวกันจึงไม่สามารถที่จะแยกสมาธิหรือสลัดปัิทิ้งสมาิิไปเสียให้ิ ดำเนินแต่ทางด้านปัญญาอย่างเดียวแล้วคว้าอมคุณนิพพานมาอย่างเต็มใจอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นี่เราเคยปฏิบัติมาแล้วได้ทราบอย่างชัดเจนในทางด้านสมาธิคือการทำสมาธิตั้งแต่ขั้นล้มลุกคุกครานมาจนกระทั่งถึงเป็นขั้นสมาธิเต็มตัว คำว่าขั้นสมาธิเต็มตัวนั้นคือเราให้สงบได้ตามต้องการของเราเวลาใดก็ได้แม้จะจิตจะถอนออกมาจากสมาธินั้นแล้วคิดอ่านไตรตรองกิจการงานอื่นๆได้แต่ฐานของสมาธินั้นเป็นความแน่นหนามั่นคงประจำตนอยู่เสมอ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 ภายในร่างกายแยกแยะดูตั้งแต่ต้นดังที่ท่านมอบงานให้พวกเรามาตั้งแต่เด็กดังบันจนปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ไม่ลดละว่างานของนักบวชนั้นคืออะไรอุบชายะท่านมอบให้ว่าเจสาโลมานขาทันตาต่โต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 เป็นของกิรังถาวรเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของท่านไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้นอกจากความเป็นอสุภาอสุพังเต็มไปทั้งร่างทั้งภายนอกภายในอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันตามธรรมตรีกราวไว้แล้วยังมีความแปรสภาพอยู่ภายในตัวทุกระยะ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 ซึ่งเป็นค่าสิทธต่อธรรมเคยฟื้นธรรมอย่างนี้มาเป็นลําดับลําดาบคือเสกสรรปั้นยอขึ้นมาเฉยๆทั้งๆ ท, ที่หาความจริงไม่ได้ว่าสวยงามว่าน่ารักใครชอบใจว่าเป็นสิ่งกิรังถาวรว่าเป็นสิ่งให้เกิดสุขน่ารื่นเริงบันเทิงมาเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขา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 กับธรรมชาติที่เสียสันปัญยออันเป็นความจมอมกลอมนี้ขึ้นมาเรียกว่าธรรมจึงได้นำของจริงนี้เข้ามาเทียบเทียมกับของปลอมแยกแยะกันดูทุกสัตว์ทุกส่วนว่าอันหนึ่งว่าอันนั่งเดิมนั้นว่าเป็นของสวยงามที่แนบสนิทอยู่กับจิตจึงต้องให้ทำให้จิต คิดว่าเป็นของสวยของงามของดีของเน่นหนามั่นคงไปหมดพีนี้นำธรรมเข้ามาแทรกว่าสวยงามที่ตรงไหนดูหาความสวยงามทั้งภายนอกทั้งภายในหมดทั้งร่างนี้หาไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเต็มไปด้วยของปฏะิกูลโสโครกหมดทั้งร่างกายนี้ทั้งภายในภายนอกในตัวของเรา และสัตว์อื่นบุคคลอื่นดึ้งชายเ ห, เหมือนกันหมดเทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนนี่คือความจริงเราฝึกอิปัสสนาคือปัญญาฝึกเพื่อจะสลัดสิ่งที่เคยยึดถืออันจำปรมเข้ามาสู่คำหลักความจริงคือของไม่ปลอนี่นี่เป็นขั้นหนึ่งของจิตขั้นต่อไปยังแยกแยะ เป็นเรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตาไปอีกซึ่งเป็นธรรมของจริงเช่นเดียวกันอันเป็นทางเดินเพื่อความสลัดปัดทิ้งสิ่งจอมกรทั้งหลายเหล่านี้ที่กิเลสพาเสศสันต์นยอมมาเป็นเวลานานผลของมันทําให้เกิดความกดทวงรวงใจอยู่เสมอให้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้ว ย่อมจะค่อยปล่อยวางไปโดยลำดับตามความซึมซาบแห่งใจที่เข้าสู่หลักความจริงของธรรมไปโดยลำดับลำดาโจนกลายเป็นว่ากายทั้งกายนี้ถ้าพูดถึงว่ากองอาชุพะก็คือป่าช้าผีดิบเต็มไปด้วยซากอสบต่างๆที่เต็มอยู่ในร่างกาย ของแต่ละบุคคลบุคคลไม่ใช่ซากหนึ่งซากเดียวซากกระสบนั้นหลายซากหลายประเภทหลายชนิดของสัตว์ที่มาตายกองกันอยู่ภายในร่างกายของเรานี้พิจรารณาอยู่เช่นนี้ซ้ำๆสักๆก็เช่นเดียวกับ เราถากไม้ถากหลายครั้งหลายฝนก็ถึงแก่ถึงที่พอเหมาะพอดีพอเอานี่ช้ล้างลงไปหลายครั้งหลายฝนก็ถึงที่สะอาดปราศจากสิ่งจองปลอดเห็นได้ชัดตามความเป็นจริงจิตย่อมจะปล่อยวางเองโดยไม่ต้องสงสัยมีเป็นขั้นหนึ่งของการพิจนนารณามีเรียกว่าปัญญา เราแยกจากสมาธิคือจิตที่สงบนั้นให้สแสดงกิริยาออกมาทางความแยกขาดเรียกว่าปัญญาวิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเห็นจริงไม่ใช่เห็นปลอมเห็นแบบมืดๆ ด, ดำๆดำด ำ, ำ, ด ำ, ำขาวอย่างที่อวิชชาพาเห็นปัญญาทําพาเห็นเห็นแจ้งเห็นชัด จนถึงกับต้องรื้อถอนตนออกมาจากความยึดมัน่นถือมัน่นสำคัญผิดต่างๆนั้นไปได้โดยลำดับนี่แหละการดำเนินเพื่อมรักผลนิพพานดำเนินไปตามสิ่งเหล่านี้ที่จิตไม่สามารถจะกล่าวถึงนั้นได้ก็เพราะติดสิ่งเหล่านี้ท่านจึงต้องให้พิจารณาบุกเบิก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 แต่ความคำนึงเพื่อชครชนะหรือเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของความทุกข์นั้นก็ไม่มาเป็นอารมณ์กับผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทำจะเป็นจะตายจริงไม่ค่อยมาคำหนึง่งถึงความเป็นเหล่านี้ยิ่งกว่าความเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนต้องการหรือในสิ่งที่ตนมุ่งหมายเอาไว้นี่ครัะ พระพุทธเจ้าของเราท่านมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นแม้จะสลบถึงสามครั้งสามผลและยังไม่ถูกทางดำเนินเพื่อความแต็สรูกก็าตามพระองค์ก็ไม่ทรงท้อถอยเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นต่อธรรมของจริงมีกำลังมากกว่าที่จะมาท้อถอยเพียงความสลบเท่านั้นนะ การพิจารณาร่างกายเป็นสิ่งสําคัญมากเกยจะพ่ออย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องราคะตันหาขึ้นอยู่กับร่างกายนี้จิตสงบขอบมีความสงบตัวในความคิดไปเรื่องราคะตันหาเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสในชาดกท่านกล่าวไว้ว่าซึ่งเ ป, เป็นสิ่งที่สะดุดใจมาก ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่เคยเห็นรูปใดที่จะเป็นข้าศึกหมายถึงภิกษุแล้วไม่มีรูปใดที่จะเป็นข้าศึกเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจยางเจ็บปวดแสบแสบร้อนยิ่งกว่ารูปของ หญิงหนักเสียงใดก็าตามไม่สามารถที่จะเสียดแทงเข้าถึงขั้วหัวใจถึงกับจิตใจจะพังทลายลงไปได้เหมือนเสียงของหญิงกลิ่นใดก็าตามไม่มีไม่สามารถที่จะทะลวงเข้าถึงขั้วหัวใจยิ่งกว่ายิ่งกว่ากลิ่นของหญิง รถใดก็าตามไม่มีไม่สามารถที่จะทําลายหัวใจให้กระทบกระเทือนหวั่นไหวและให้รับความทุกข์ความทรมานได้มากยิ่งกว่ารถของหญิงการสัมผัสใดก็าตามไม่มีพิษมีภัยมากยิ่งกว่าการการสัมผัสหญิง ให้เธอทั้งหลายจำไว้ให้ถึงใจวิธีที่จะแก้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งออกจากคนคนเดียวนี้นั้นจึงต้องใช้วิธีการอันถูกต้องเหมาะสมกันคือการพิจารณาอาสุภะกรรมฐานเป็นภาพพืนให้เกิดมีความทนิคํำนาน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 พูดถึงเรื่องความปฏิกลหญิงเป็นเทวดามาจากไหนภิสษุทั้งหลายหญิงก็คือคนทรงทาาทรงขันทรงอสุภะอสุพังมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับไตไส้พุงมีของอสุภะอสุพังเต็มตัวเช่นเดียวกันกับเราเราไปหลงหาอะไรถ้าไม่ใช่เราเป็นบุรุษตาฝาง เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงพิจารณาในจุดนี้ให้มากยาแก้พิษภัยอันสำคัญมีตุอาสุภะเป็นยาอันประเสริฐนี่คื อ, คอพุทธพจน์ที่ทรงสแสดงไว้แก่ภิษุทัังหลายให้เห็นภายในจุดนี้เพื่อจิตได้พิจารณาตามหลักธรรมที่พระองค์ตรัสไว้แล้วนี้จะได้สงบหายกังวลเพราะเป็นลักษณะรือ อะไรอะไรก็เหมือนกันกายทั้งกายทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอง็นทั้งกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งอวัยวะของหญิงกับทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งอวัยวะของเหล่านั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยนอกจากถูกหลอกลวงจากกิเลสให้มันเสกสรรพันยอว่านั้นวิเศษนี่โสจนผู้หญิงกลายเป็นเทวดาขึ้นมา เราเป็นเหมือนบอยตัวหนึ่งหรือสุนัก ต, นตัวหนึ่งเท่านั้นโง่เกินไปไม่สมกับความเป็นพิกษุให้เธอทั้งหลายจงจำไว้ให้ถึงใจหนักฟังดินี่แหละการพิจารณาถ้าลงได้พิจารณารอบนี้ให้ชัดเจนเทียบสัตว์ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในให้เห็นชัดเจนแล้ว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 ต่อหรือว่ารัดตรึงกันไว้เท่านั้นเช่นเดียวกับซากผีที่เราเอามาไว้ตามว่าตมว่าอวัยวะส่วนอื่นไม่มีเรือแต่กระดูกที่มัดติดกันไว้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะรักอะไรกำหนดอะไรมีแต่กระดูกอย่างนั้นนั่นแหละคือความจริงเป็นขั้นๆไปนี่คือความจริงแล้วตัดความจำปลอมที่ว่า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 พิจารณาแยกแยะดูทุกขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งกับทุกขเวทนานั่นแหละเป็นผู้ออกหน้าออกตาในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยสุขหาทางแทกเกิดขึ้นไม่ได้จึงต้องพิจารณาแยกดูทุกขให้เห็นทุกเป็นอย่างไรทุกให้โทษให้ภัยแก่ผู้ใดเราจึงเมาเขาว่าเป็นทุกเมาเขาว่าเป็นภัยต่อเรา เมาเขาว่าเป็นค่าศึกต่อเราพิจารณาให้เป็นอัดเป็นธรรมยาลำเอียงเพื่อเข้าตัวจะเป็นการก่อภูกิเลสเข้ามาเผาตนเองเขาอีกยิ่งกว่าการไม่พิจารณาจะอีกเพราะผิดทางเพราะฉะนั้นการพิจารณาทุกเวทนาก็พิจารณาให้เป็นธรรมว่าทุกเวทนานี้หรือว่าเป็นตัวภัยแก่เราดูให้เห็นชัด ถึงสภาพของทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นว่ามันเป็นภัยให้แก่ผู้ใดจดจ่อลงด้วยสติกำหนดขี้คลายดูด้วยทางปัญญาเมื่อชัดเจนแล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าปรากฏตัวอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นแม้ตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าเป็นทุกข์และได้ให้ความทุกข์แก่ผู้ดผู้ใดเลยนี่พิจารณาดูทางร่างกายก็สักแต่ว่ากาย มีอยู่แล้วตั้งแต่ทุกเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นแม้ทุกเหล่านี้ได้ดับลงไปแล้วกายก็เป็นกายอยู่ตามสภาพของตนต่างอันต่างจริงอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเช่นนี้ไปเหมาเขาว่ามาเป็นทุกข์มาเป็นภัยแต่เราได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ใจแล้วย้อนเข้ามาดูใจอเทียบเคียงกายนั้นเป็นเราเหรอือกายนั้นมาเป็นใจหรือด้วยใจไปเป็นกาย หรือทุกขเวทนานั้นเวทนานั้นมาเป็นใจหรือใจนี้ไปเป็นทุกขเวทนาแยกแยกทุกสัตว์ทุกส่วนยิ่งทุกมีความรุนแรงมากเพียงไหลสติปัญญาขั้นนี้ยิ่งหมุนติว้วเร็วยิ่งกว่าฟาดแลบไม่อย่างนั้นไม่ทันกันแยกแยกทุกสัตว์ทุกส่วนทางเวทนาก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอย่างประจักษ์ายหายสงสัย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 ทั้งทุกข์ทางกายทั้งทุกข์ทางใจก็มากลายเป็นเราเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะความสําคัญผิดเมื่อแยกแยกทั้งสามสภาพคือดูกายดูเวทนาดูจิตเทียบเคียงกันได้ทุกกัดทุกส่วนความสําคัญมันหมายจิตของจิตที่เป็นหมายเขาก็ถอนตัวเข้ามาสู่จิตเมื่อความสําคัญถอนตัวเข้ามาสู่จิตแล้วจิตก็เป็นปกติจิตเป็นความจริงของจิตเวทนาก็เป็นความจริงของเวทนา กายก็เป็นความจริงของเขาแต่ละสัดและส่วนแล้วไม่กระทบกันหนึ่งทุกเวทนาที่กำเริบ ม, มากๆนั้นดับไปอย่างรวดเร็ว 2. องทุกเวทนาแม่ไม่ดับแต่ก็เป็นความจริงของตนอยู่เต็มสัดเต็มส่วนไม่เข้ามากระทบเกือนกับจิตใจนี้ได้เลยใจแม้จะอยู่ในถ้ำกลางแห่งความทุกข์ความลําบากในขณะที่ ที่เป็นโรคภายไขาเจ็บหรือขณะนั่งนานๆก็าตามก็ไม่มีความกระวนกวายมีความกระหิมยิ้มย่องอยู่ได้โดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงของใจนี่คือการพิจารณาเวทนา <c oughs> นอกจากนั้นแล้วยังทราบชัดว่าทุกขเวทนาก็ดีสุ ข, ขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นซึ่งรวมแล้ว ไหลลงสู่ภาชนะคือตรายรักได้แก่อณิจังตรายรักษ์ได้แก่อณิจังทุกขังอณาตาทั้งมวล น, นานมีปัญญาขั้นสัญญาความจําได้หมายรู้จนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาสังขารปรุงแยบสัญญาหมายไปให้เป็นเรื่องเป็นราวหลอกตนเหมือนกับภาพในหน้ากระจกนี่แหละภาพของเราเองนี่แหละไปปรากฏในหน้ากระจก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 แล้วถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรการพิจารณาซ้ำๆตัดซากเป็นการฝึกซ้อมกันอยู่ด้วยความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างข้างนอกกับข้างในให้เป็นประยุรหรืสม่ำเสมอจิตย่อมชานิชานานสามารถสลักปัดทิ้งขันห้านี้ได้ตั้งทั้งที่ยังไม่บริสุทธิ์นะ อ, อุปทานในรูปประขันก็ปล่อยได้แล้วชัดเจนเข้นประจักษ์ไม่ ยอมที่จะพิจารณาร่างกายอีกว่าเป็นอสุภะอย่างนั้นอสุภะอย่างนี้เพราะอิ่นตั ว, แ ล, วแล้วรู้แล้วปล่อยแล้วพิจารณาหาประโยชน์อะไรตล อ, อ, อดถึงเวทนาสัญญาสังขารยินดานเกิดขึ้น ก, ก็รู้ได้ชัดทั้งดับไปทั้งเกิดขึ้นทั้งดับไปรู้ได้ชัดขาดจากกันก็รู้ได้ชัดนี่แหละ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 มันเผาหลนอยู่นี้ทั้งวันทั้งคืนถ้ามีความฉลาดแล้วกับพิจารณาอย่างที่ว่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็สักแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็สักแต่ว่าเท่านั้นเพราะได้พิจารณาตัดขาดกันมาโดยลําดับอวัตนะภายในเช่นรูปกายของเรามีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายก็ตามก็รู้เท่าทันไปหมด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 ค่าทั้งสมุนข้องมันด้วยความต้องการมันหมายต่างๆค่าไปด้วย อ, อาการต่างๆนะีทั้งห้านี่ก็ตัดขาดไปด้วยก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นนั่นนี่แหละ ว, วิธีการดําเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดังครั้งพุทธการท่านดําเนินท่านดําเนินอย่างนี้ท่านพิจรารณาอย่างนี้นี่กิเลสมันมีอยู่ที่ไหน สติปัญญาจะเป็นเหมือนกับใยกิเลสเป็นเหมือนกับเชื้อไข่มันอยู่ที่ตรงไหนปัญญาจะหมุนเตี้วเข้าไปตรงที่เชื้อมีอยู่เชื้อมีอยู่ทางกายก็พิจณาทางกายจนกระทั่งไหม้ไปหมดด้วยความรู้เท่าทันอยู่ทางเวทนาก็ไหม้ไปหมดคือรู้เท่าทันหมดสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณไหม้ไปหมดปล่อยวางไปหมดเข้าไปสู่ที่ใจ กำหนดเข้าไปพี่ใจปัญญาขั้นพิจารณาอาวิชชานี้เป็นปัญญาขั้นอัตโนมตัติตามขั้งกุศการท่านว่ามหาสติมหาปัญญาแต่ก็เริ่มเป็นมหาสติมหาปัญญาย่อมย่อมไปแล้วตั้งแต่ขันห้านี้แล้วแหละแต่เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจึงเป็น มหาสติมหาปัญญาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนอย่างละเอียดละออเหมือนน้าซับน้าฉึมไม่มีอะไรเป็นที่พิจารณาพอรูปก็ผ่านไปแล้วไม่ยอมพิจารณาดูแล้วปล่อยแล้ววางแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นส่วนร่างเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ก็ดับไปหมดขาดไปหมดแล้ว มีแต่ความยิบยับยิบยับกับเพื่อมอยู่ภายใจิตความกับเพื่อมแต่ละขณะขณะที่แสดงออกมาจากจิตก็ทราบว่าเป็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของโลกสมมุติของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ได้อย่างชัดชัดถือมัน่นยึดมั่นในความกับเพื่อมว่าดีว่าชั่วว่าเกิดว่าดับนี้ได้อย่างไรฐานของวิชาจริงๆคืออะไรที่นี่นี่แหละตัวสําคัญเราก็ไม่อยากจะพูด ตรงนี้เพราะเหตุไรเพราะเป็นธรรมที่ละเอียดมากที่เลพประเภทนี้ละเอียดมากมากักจะสวมรอยให้ผู้ปฏิบัติได้ลืมตนแต่ก็ทนไม่ได้ที่จะต้องพูด <S <s เมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วนั่นละขั้นว่าตัววิเศษนักปฏิบัติส่วนมากว่าประส <S <s เสริฐเลิศโลกทั้งทั้ง ที่ตัวอวิชานั่นแหละไปยกตัววิชานันมหาสติมหาปัญญาที่เคยฝึกมาอย่างเตียงไกลก็เลยกลายเป็นองค์ครักไปรักษาอาวิชาดวงที่วะลเลประเสริฐมีความสง่าผ่าเผยสว่างกระจ่ า, จางแจ้งองค์อาจกระหานแผวขาวไม่มีอะไรเสมอเหมือนฉะแล้วทีนี่ทั้งรักทั้งชอบใจทั้งติดอิ่งอ้ อ, อยอิ่งอยู่นั้นแหละนั่นเห็นไหม วิเลศละเอียดขนาดไหนตั้งแต่ขั้นกายมีก็ละเอียดแถบล้มแถบตายที่ผู้ปฏิบัติจะผ่านไปได้ขั้นวิเลศที่ทอาศัยแทรกอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณนี้ก็เต็มตัวแห่งความละเอียดของมันยิ่งเข้าไปถึงองค์กรรษัตริย์วัตจักที่พาจิตให้หมุนให้เวียนให้เกิดให้ตายคือตัวนี้แท้ตัวอวิชานีแล้วจะไม่ละเอียดครอบโลกธาตุได้อย่างไร แม้ขั้นมหาสติมหาปัญญายังต้องกลายตัวลืมตัวไปเป็นองครักษ ร, รักษาจิตดวงนี้จนได้ <c oughs> คาว่ารักษาจิตดวงนี้คืออายมีความรักความสงวนความอ้อยอิง่งความติดความพันอยู่ภายในนั่นไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องรักมากสงวนมากที่เดียว แต่คำว่าสมมุติอวิชาก็คือสมมุติมหาสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรแก่กันก็เป็นสมมุติซึ่งหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงความผิดปกติของจิดประเภทที่ว่าอาจจัจฉรย์อันเป็นจอมกษัตรนั่นได้ในขณะในขนดขณะหนึ่งเล่านั่นเพราะจดต่อเพราะพิจารณา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 ใสจริงสะอาดจริงผ่อ ง, องใสคําว่าพองใสกับความเศร้าหมองซึ่งเป็นส่วนละเอียดกับสิ่งนั้นต้องเป็นของคู่กันผ่องใสขนาดไหนจะต้องเห็นความเศร้าหมองแทรกกันมาในขณะในขนดขณะหนึ่งจนได้อง์อาจหรืออับเฉาจะต้องเป็นของคู่กัน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 ความระวังนี้เป็นที่แน่ใจแล้วหรือนี่คืออะไรธรรมชาติอันนี้คืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วเพราะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาไปด้วยกันเส้งหมดแล้วอันนี้เป็นอะไรที่พระกฏเด่นเดอยู่นี่นั่นและเป็นจุดหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาละทิมเริ่มพิจารณาลงสติปัญญาขั้นนี้แล้ว ได้พุ่งตัวเข้าไปนั้นอย่างไรก็ไม่มีอะไรที่จะค้างอยู่ได้ตกค้างอยู่ได้ต้องพังทลายนี่แหละมหาสติมหาปัญญาจาเข้าไปตรงนั้นพิจารณาจุดนั้นเหมือนกับเราพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายเมื่อสติสติปัญญาขณ้นอตนมัตินี้ได้จอเข้าไปจุดนั้นแล้วก็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 ที่จะนาตามภาคปฏิบัติเมื่อธรรมชาตินี่มันหายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วอันใดที่นี่ที่รู้ว่าอภิชาดับไปแล้วรบชาติที่เป็นเชื้อให้เกิดกเกิดชาติดับไปแล้วจากใจแล้วใจนั้นดับไปด้วยหมายสใจดับไปด้วยทำไมรู้จะขวางว่าบริสุทธิ์ยิ่งรู้อย่างวิเศษวิโสรู้แบบอัศจรรย์ เหมือนโลกกระเทือนไปด้วยทั้งหมดโลกธาตุนั่นสูญไปไหนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกท่านนาธรรมชาติอันนี้มาสั่งสอนไม่ใช่เอาสิ่งที่สูญมาสอนโลกเอาสิ่งที่บริสุทธิ์มาสอนโลกต่างหากนี่ลหละการเรียนพบธาตุความกิดแกเจ็บตายของสัตว์โลกอยาไปเรียนที่ไหนให้เรียนเรื่องของเรานี้ก่อน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 หมดแล้วเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดตายเกิดตาจับจองปัดาชาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะตัวนี้เองได้สิ้นซากไปแล้วบัดนี้หมดเรื่องนั่นเหลือแต่ความริู้สึกล้วนๆมีเรื่องอะไรทีนี่เฮนั่นไม่ใช่ตัวอนิจจังนั่นนนั่นไม่ใช่ตัวทุกขังนั่นไม่ใช่ตัวอนัตตาอนิจจังทุกขณตาเป็นเรื่องของส ม, มุดทั้งมวล น, นับแต่อวิชชาออกไปกระจายทั่วโลกธาตุ เป็นแต่รักเป็นอนิจจังทุกขังอตตาเพราะเป็นสมมติด้วยกันธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอตตาและได้พังทลายจากตนไปหมดแล้วนั้นไม่ใช่แต่รักไม่ใช่อนิจจังไม่ใช่ทุกขังไม่ใช่อนัตตาไม่ขัดแย้งตนเองด้วยและไม่ขัดแย้งสิ่งอื่นใดทั้งหมดด้วยพอตัวหมดเครื่อง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 หรือตอนตายแล้วในมนพระมากุศลาธรรมากุศลาธรรมากุศลาหาประโยชน์อะไรตัวเราโง่เหมือนหมาตายตัวหนึ่งจะมากุศลาธรรมาให้เกิดความฉลาดมาจากลมปากได้อย่างไรถ้าเราไม่รีบทำของเราเสียให้เกิดความฉลาดกุศลาแต่ว่าความฉลาดฉลาดอะไรฉลาดแก้พิษแก้ภัยภายในจิตใจให้บริสุทธิ์ขึ้นมานี่ยเลยนี่เรียกว่าความฉลาด แล้วจริงจะมากุศลาธรรมากุศลธรรมาหาเรื่องอะไรเกาหาที่ไม่คันเกาตรงที่มันคันนั่นสิเอ้มันจะได้หายคันจ่อลงไปตรงนั้นกิเลสนนะ่ะตัวคันที่สุดตัวคันสุดยอดคือตัวอวิชชาฟาดมันลงไปให้มันหายคันตายแล้วไม่ต้องมากุศลาธรรมาให้ยุ่งไปเปล่าๆแล้วนะมันกุศลาธรรมาความสลาดรอบใจเถอะอยู่ไหนสบายหมด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 ลี้ับไ ม, ไม่ไม่ทำแอบแแฝงแสงด้อมดอมมอ ง, มองกลัวกลัวขี้ขลาดไม่มีเป็นธรรมที่อง์อาจกระหานผู้ปฏิบัติพิสูจน์ได้ภายใน จ, จิตใจของตัวของเรียนก็เรียนมาเราไม่ได้ประมาทในการเรียนเรียนแต่ชื่อของอัด ข, ของธรรมของกิเลสตัญหาอาสวะแต่ไม่เคยไปแตะต้องกิเลสตัญหาอาสวะพอให้มันหนังท่าหลออพอให้มันตื่นนอนบ้างเลย ต้องเอามาปฏิบตัติท่านจึงเรียกว่าปริยัดได้แก่การศึกษาเราเรียนแนวทางแล้วนับตะเกสาลุมานะคะันตาตะโจเป็นต้นแล้วนําไปปฏิบตัติแยกแยะตามวิธีการที่ท่านสอนนี้จนกระทั่งถึงตามฆ่ากิเลสได้ด้วยวิธีการปฏิบตัตินี่โคตรแท้กิเลสลูกเต่าหลานเลนของกิเลสทุกๆตัวซึ่งเป็นสือร้ายทั้งนั้นเป็นพิษเป็นภายทะนั้นใมันแตกแม่แตกลู ก, แต ก, ลกแตกบ้านแตกเมือง บ้านแตกสาหแหลกหาดออกจากใจให้เห็นเป็นไรนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติทําไม่ได้ใครจะทําได้ในโลกนักปฏิบัติไม่สามารถทรงมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามได้แล้วใครจะสามารถในโลกนี้เราแน่ใจว่าไม่มีใครสามารถเพราะภาระทุรังเต็มไปหมดโลกอยู่ด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะถาดเพราะขันเกี่ยวกับการบ้านาการเมืองครอบครัวเย้าเรือนเรานี้มีผู้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 ไม่มีอะไรบกพร่องเต็มมาทุกสิ่งทุกอย่างมาทุกทิศทุกทางทั้งก่ทั้งใจมีแต่ผู้สนับสนุนส่งเสริมยินดีแต่เราทำไมถึงนอนใจรับครอบครอกอยู่ทั้งเป็นทั้งๆที่ยังไม่นอนสติสตังไปไหนหมดเอามาพิจณาเอามาขุดค้นเลยพระพุทธเจ้าท่านขุดค้นข้ากิเลสตัณหาด้วยสติปัญญาหรือด้วยความนอนใจ หรือด้วยความขี้เกียจขีค้านเอามาพิจิพิจารณาให้มันเห็นชัดจันสิเราเป็นนักปฏิบัติลูกจิตมีครูไม่เดินตามครูจะเดินตามใครเอาให้จริงให้จังตรงเลยเราจะได้เห็นความอัศจรรย์ภายในาจิตใจพูดกันอยู่อย่างนั้น เรื่องอัดเรื่องทำทำไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนพูดเรื่องกิเลกกับพูดเสียจนน้ำลายฟง้งแต่กิเลสอยู่ที่ไหนไม่ทราบเอาแต่ชื่อมาพูดเอาแต่ชื่อมาคุยกันมันเกิดประโยชน์อะไรเอาตัวกิเลสมาฆ่าและวสิมันเกิดประโยชน์เอาทำมาปฏิบัติกรรมจัด ก, กิเลสนะสิยิ่งจะเกิดประโยชน์เป็นผลเห็นอายม์ปัทันต า, พ, ตา พ, พระพุทธเจ้าพระษาวกท่านทำอย่างนั้น ให้เดินตามแบบกามฉบับของท่านอย่าให้ผิดร่องรอยของท่านงานที่ทำของพระเป็นประจำเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะตีแวะไปไหนไม่ได้เอางานอื่นมาแทนไม่ได้ก็คืองานถอดถอนเกจอาสวะดังที่ท่านประทานให้บิ๊วอุชาจะมอบให้เวลาบวเชเกษารมานาคานทาตโจเป็นตน้นนี่คืองานของพระเอาให้จริงให้จังเครียดกาย สับย้ำลงไปให้มันแหลกแตกกระจายลงไปเห็นแจ้งชัดเจนด้วยสติปัญญาศรัทธากลมเกลี่ยต้องเ ล, งล่าสถานที่ที่เหมาะสมก็ท่านกประทานให้แล้วตั้งแต่วันบวชลุคโมูลเสนาสนังนิสซายาตปาชาตาทะเสยาวิชิวังอุชาหโหกรณลานโยมันระช า, ะะาวชิวาาาาาาาาสมุดแล้วให้ไปเที่ยวอยู่ตามลุคโมลล่มม้าชายป่าชายเขาในถ้ำเนื้อผาอันเป็นสถานที่สะดวกสบายไม่พูกพันด้วย สิ่งลบกวนต่างๆนั่นเป็นที่เหมาะสมกับการกับงานเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อรื้อถอนวัฏจักรออกจากใจซึ่งเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงมานานแล้วภายในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีงานใดที่จะหนักหนายิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสวัฏจักรออกจากหัวใจจึงต้องได้ทุ่มเทกำลังลงให้เต็มที่นี่ขอให้นามาพิพจารณานะมาอยู่นี่กว่านาน ไมทราบวาองค์ละกี่ปีกี่เดือนผลเป็นยังไงสอนก็สอนแทบล้มแทบตายสอนไม่มีอัดมีอัน้นมีเท่าไรเอามาสอนเต็มสติกําลังความสามารถไมไ่เคยมีปิดบังลี้รับไม่แต่น้อยเลยและพูดอย่างโกงไปโกงมาตามความจริงทั้งเหตุที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรก็นํามาสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกําลังความสามารถไม่ได้โกหกตลอดถึงผลเป็นอย่างไรก็พูดให้ฟังอย่างเต็ม เต็มเมเ็มเต็มหมดเ็มน่วยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแต่กิเลสสุดแต่ธรรมที่อยู่ในหัวใจของผู้มาฟังทั้งหลายจะขัดแย้งกันเอง<ม>ทางใดชนะทางใดแพ้ถ้าทำชนะเราก็จะปฏิบัติตัวให้เป็นธรรมขึ้นไปโดยลำดับแล้วครองธรรมอัจฉรย์ภานในใจถ้าแพ้กิเลสแล้วเราก็จะให้ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายอยู่นี้ตั้งกลับตั้งกันนับไม่ถวนไม่มีต้นมีปลาย อยู่ภ า, ายในหัวใจนั่นแหละเป็นทุกข์ทรมานจริงน่นะาการจะยังทําก็เห็นว่าสมควรที่สึกหน่อยเอาละพอ